ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุกมกำลังนำเสนอฝาสิทธ์หรือคาถาที่พระสารีบุตรเทระได้กล่าวแก่พุทธบริษัทจะเป็นคลุมได้บ้างเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกไว้ วันก่อนได้พูดมาถึงข้อที่990ก็ต่อไป991ท่านบอกว่าสถานที่ที่พระราหัต์ทั้งหลายอยู่จะเป็นหมู่บ้านหรือป่าก็าตามจะเป็นที่ลุ่มหรือที่นอนก็าตามย่อมเป็นสถานที่น่ารื่นรมทั้งนั้น วันนี้คุณสังเกตว่าไอ้สิ่งนอกตัวเราเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดเอาถ้าเราชอบมันก็ดีแต่เราไม่ชอบมันก็ไม่ดีไม่ไว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย พันธิเนยกตัวอย่างมาถึงสถานที่จะเป็นป่าก็ดีที่ลุ่มก็ดีที่ดอนก็ดีหรือที่ยังไงก็ตามพระหั ร, หรท่านไม่มีอุปารานไม่ได้มีความยินดียินร้ายในอารมณ์ที่สัมผัสท่านเป็นผู้คงที่ไม่อ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์เหล่านั้น มันจะปรุงแต่งให้วิเศษวิเศษโซอย่างไรก็ตามท่านก็อยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าอยู่น่าหวาดกลัวน่าสยองของคนทั่วไปแต่พระอารยท่านก็อยู่ได้เพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้สะดุ้งมันไม่มีปัะหาตรงนี้สาหรับคนทั่วไปก็คือ การพยายามทำจิตหรือปรับจิตของตัวเองให้อยู่ให้ได้ในทรามกลางอารมณ์ทางหลายสิมันไม่เสมอรอกอยังไงมันก็ไม่เสมออยู่แล้วแต่รักษาความดีของตัวเองไว้ได้ไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ไม่ปล่อยให้ความยินดียินร้ายซึ่งเป็นการปรุงแต่งของกิเลสครอบงาใจ ก็แสดงว่าเราก็ดำเนินไปตามปฏิปทาของพระอรหันต์ปร า, ารนั้นเราส ม, สมท่านท่านสมบูรณ์แต่เราก็คงทำได้ไม่สมบูรณ์หรอกแต่เช่นสมมติว่ารับประทานอาหารเนี่ยอย่างไรก็ได้สมเหตประโยชน์อย่างปฏิสีเครื่องนุำหอมที่อยู่อาศัยกา แ, แก้ไขหรืออาหารที่รับประทานเข้าไป มันสรุปอยู่ที่สําเร็จประโยชน์หรือไม่ถ้าสําเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการก็ใช้ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าพวกนี้ที่จริงเป็นความต้องการของร่างกายแต่เราใจเรานีนเข้าไปบวกกล า, ายเป็นความต้องการหรืกว่าเป็นการใช้สอยปัจจัยสี่ด้วยอํานาจของตัณหาตัณหามันไปนบังคับร่างกายไม่ได้หรอก กับมาขับตล่ที่จิตใจแต่พระหันท่านไม่มีตัณหาเนี่ยแต่เราก็มีตัณหายิ่งแต่ว่าทํายังไงว่าบรรเทากระแสะแห่งตัณหาลงไปเจนว่าที่อยู่ที่อาศัยเป็นพระอยู่ตรงไหนก็ได้บางครั้งเวลานี้มันก็มี ความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเช่นววัดบางวัดคุฏิบางหลังก็หรูหราบางหลังก็เล็กบางหลังก็ใหญ่บางหลังก็เก่าบางหลังก็ใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องอยู่ให้ได้ก็ตามที่ทางวัดก็จัดให้ แต่ก็ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ไปอยู่กุฏิเล็กลงหรือกุฏิใหญ่ขึ้นเราก็ยินดีที่จะรับผิดชอบปฏิบัติไปตามนั้นแล้วก็ประการตํางการอย่างยิ่งยทติการทำใจทำใจของตัวเองให้พร้อมที่จะอยู่ในสถานที่ต่างๆ ที่จะรับประทานอาหารซึ่งไม่ผิดสนิดต่างๆจะยาบจะกลางจะเลวจะมีค่ามากจะมีค่าน้อยรสชาติดีรสชาติไม่ดีอะไรแต่อะไรต่างๆเพราะจุด ต, ตรงนี้ที่มันแตกต่างกันมากคือประหารนั้นท่านเป็นตาติโนคือท่านคงที่มันแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการทางจิตของมนุษย์ เราพัฒนาการได้สูงเท่าไหร่ก็ตามสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อเราน้อยลงตามลำดับก้อนี้พึงดูตัวอย่างพระสารีบุตรทั้งๆ ท, ที่ท่านไม่เป็นพระอราหันต์ตอนนั้นนะครับก็ยังเป็นอุปติสสะมานพอยู่แต่ท่านก็ไม่ชื่นชมยินดีกับทรัพย์สินคารจำนวนมหาศาล ในที่บางแห่งบอกว่าแปดสิบโคตรบางแห่งบอกว่าห5ร้อยห้าสิบโคตรเแหก็ถือว่ามีทรัพย์มากกันแล้วกันแปดสิบโคตดก็มหาศาลแล้วแต่ไม่สามารถที่จะดึงใจของท่านให้เกิดความยินดียินไ ด, ได้เมื่อไม่มีความยินดีการจะสละเมื่อไรก็ได้ เมื่อไม่มีความยินร้ายเนี่ยมันจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ช่างนั้นก็ปล่อยมันไปหรือว่าเราอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับถนนใหญ่มีรถรามีเสียงอื้อทึกครือโครมดังลั่นไปหมดเราต้องอยู่แล้วก็โครงสร้างของสถานที่อยู่ของเรามันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมาก่อนที่เราจะมาอยู่ เมื่อเรามาอยู่ก็ต้องอยู่ให้ได้เสียงดังอย่าไปใส่ใจกับเสียงดังนอนไม่หลับก็ภาวนาพุทโธไปหรือกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปอาจจะนอนหลับช้าหน่อยแต่ก็หลับได้พอถึงจุดหนึ่งมันจะคุ้นชินเสียงเหล่านั้นยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ใส่ใจละ เตียงเรานั่นกลายเป็นเครื่องกรอกให้เรานอนหลับโดยําไปจย่างที่คนที่ชินชินอยู่ในริมถนนอยู่ในริมทางรถไฟที่มีเสียงเครื่องเครืโครมอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีสูงเสียงดังเนี่ยตัวตึงจยู่นึงก็ก็อยู่ได้แล้วตัวอย่างง่ายๆว่าสนามบินดอนเมืองกับสนามบินสวนรณภูม สนามบินสุวรรณภูมินั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ว่าคนที่เขาไม่คุ้นกับเสียงของเครื่องบินก็รู้สึกเดือดร้อนมีการประท้วงมีการเรียกร้องการชดเชยกันด้วยวิธีการต่างๆปัญหาเหลานี้ทำไมไม่เกิดแก่คนที่อยู่ที่ดอนเมืองทางทางที่สนามบินเขาเล็กกว่าสั้นกว่า เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาก็คุ้นชินมาอย่างนั้นเดี๋ยวสมมติว่าคนมาอยู่ใหม่เอาเพื่อนบ้านก็อยู่ได้เนี่ยเราก็อยู่ได้ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเราไปเล็งผลเลิอดคือต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอยืน่นซึ่งตามปกติมันบังคับอะไรไม่ได้อยู่แล้วพอเราไปคิดจะบังคับมัน มันก็เดือดร้อนเพราะเครื่องบินมันเป็นอย่างนั้นเองคือมันเป็นเข้อมันอย่างนั้นเองเสียงเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเข้อมันอย่างนั้นเองคือถ้าหากว่าจะหนีเราก็ต้องหนีเองแต่ถ้าหนีมันก็เดือดร้อนเพราะว่าสภาพไปล้อมอย่างนี้ยิ่งหนีเท่าไหร่เนี่ยโดก็ยิ่งเจออยู่นั่นแหล ะ, ะจะหลบไปได้สักระยะหนึ่ง นอกจากไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขาก็เป็นอีกเรื่องนึ่งปราเหล่านี้เป็นตัวอย่างชัดเจนมะไปสัมภาษณ์คนที่ดอนเมืองดูก็ได้สัมภาษณ์คนที่สวนภูมิดูก็ได้ที่เขารู้สึกเขาเดือดร้อนน่ะแล้วเราก็จะเทียบเคียงระหว่างการปรับตัวในสภาพแวดล้อมซึ่งเขาคุ้นชิน โดนเมืองก็คุ้นชินแต่ว่าสุวรรณภูมิเขายังไม่คุ้นชินแล้วมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะคุ้นชินไปเองแล้วเขาก็อยู่ได้แน่นอนว่าถ้ามันใกล้ชิดมากเกินไปแต่ยลืมว่าโดานเมืองมันก็มีใกล้ชิดเหมือนกันถ้าไมัก็อยู่ได้นั้นแสดงให้เห็นว่าพอลงตัวแล้วเนี่ยมันปรับตัวได้ถามกิเลสยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าไม่ใส่ใจ ไม่ใส่ใจไม่กําหนดว่าหนวกหูไม่กําหนดว่าเสียงดังไม่กําหนดว่าราคาญเราเรียกว่าแยกแยกจิตออกจากเสียงเสียงก็เสียงจิตก็จิแตแล้วก็อยู่ได้ก็คือสํารวอบินทรีย์ทั้งห้าตั้งเด็กกำว่าไม่ยินดียินได้เราเจอเกือบทุกสูตรประวัติโยโรยุกเนี่ยมันเพราะยินดียินได้ วันใดที่เรายุติความยินดียินร้ายลงไปได้มันก็เหมือนกับพ ร, ระอรหันต์นี่แหละเป็นที่น่าสังเกตนหนึ่งๆนะคือในตรงเนี้ยบทนี้คาถาบทนี้คาถาบทที่991มันเป็นคาถาที่ปรากฏในพระธรรมบทเล่มที่สี่นะแต่ภ่าสาริบุพนามกกล้าในที่นี้ ซึ่งก็าหมาย ว, ว่าสิ่งที่นำมากล่าวทั้งหมดโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือพระพุทธพจนธที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ในที่ต่างๆแล้วก็มาปรับท้อยคำใหเหมาะสมกับกลุ่มคนที่ฟังในขณะนั้นๆแต่บทข้อ๙๙๘เนี่ยนี่ก็เหมือนทุกตัวสอนนะมันก็่มาความว่ า, วา มันเป็นข้อความที่ไม่จำเป็นจะต้องปรับเพราะว่าพูดเรื่องพระอรหันต์ไม่ได้เน้นที่ตัวผู้ฟังในขณะนั้นแต่ก็เล่าถึงความเป็นพระอรหันต์สถานภาพของพระอรหันต์แล้วก็ท่าทีต่ออารมณ์ของพระอรหันต์ทั้งหลายข้อต่อไปเป็นข้อที่เก2ร้อยเ้าสิบสองท่านบอกว่า ป่าทั้งหลายที่น่ารื่นรมคนที่แสวงหากรามย่อมไม่ยินดีในป่าที่น่ารื่นรมเช่นใดท่านผู้ปราศจากราคะแล้วจกยินดีในป่าที่น่ารื่นรมเช่นเช่นนั้นเพราะท่านเหล่านั้นไม่ใช่เป็นผู้แสวงหากรามแน่นอนว่าคนแสวงหากรามก็ต้องวิ่งเข้าไปหาพวกวัตถุการามทั้งหลายเราจะไปหา สิ่งที่สวยงาม ต, างต่างๆหรือคนสวยงามต่างๆที่ในป่าเนี่ยมันก็หาไม่เจอรามันไม่มีให้ดูเพราะคนที่แสวงหาการท่านจําแนกก็เห็นความแตกต่างระหว่างจิตที่ถูกกลุ้มรุมด้วยกิเลสกาบกับจิตที่ปราศจากกิเลสกแล้วก็ท่าทีต่อสถานที่ที่จะไปหรือจะอยู่ ป่าตามปกติมันน่ารื่นรมจะรื่นรมสำหรับใครรื่นรมสําหรับคนที่ไม่ขาดกลัวสําหรับคนที่มีกิเลสกามอยู่มันไม่รื่นรมหรอกประเดี๋ยวประดาวนั้นเดี๋ยวได้แต่ว่าถ้าไปอยู่นา น, านเนี่ยมันก็ทําใจรื่นรมได้ยากแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคือหมายความวาพระที่ไปเจริญกรรมฐานไปทุ่นตรงอยู่ในป่าท่านก็มีกิเลสกาม แต่ว่าท่านกระลบแรงกระตุ้นของวัตถุกรมเพราะมันไม่มีกระตุ้นแล้วก็สามารถทาจิตใด้หลุดพ้นจากกิเลสการมพอหลุดพ้นจากกิเลสการมท่านก็เข้ามาอยู่ในเมืองโดยไม่หวั่นไหวต่อวัตถุกรมทั้งหลายที่่านกระทบมีความหลากหลายมีสีสันมีความสวยงามต่างๆตามที่กาหนดกัน ทีนี้พอมาถึงท่านที่ปราศจากกิเลสก็คือพระอระหันต์ท่านจะรู้สึกรื่นรมกับป่าคือยินดีในป่าเราต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์การที่พระพุทธศาสนาอุบัติในป่าแล้วก็พระสงฆ์สาวกทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ป่า ตามธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นยังไงก็อาศัยอยู่ตามที่มันเป็นแต่ว่าจิตใจท่านสงบเย็นมีความรื่นรมเพราะว่าท่านไม่ต้องการอะไรที่ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นแต่ว่าคนที่มีกิเลสกรรมเน่ยแกต้องการการสิ่งอื่นที่ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นแล้วก็สถานที่นั่งก็ตอบสนองไม่ได้ ตอบสนองไม่ได้แกก็ต้องดิ้นรนนะเพื่อจะไปอยู่ในสถานที่เรานะแต่อย่าลืมว่าการทำใจด้วยการปรับทา่าทีในลักษณะนี้แต่เรามองตรำรวจทหารที่อยู่ชายแดนในอสดอหรือทหารที่ไปอยู่ตามชายแดนกันเป็นอยู่ลำบากมาก ต้องเฝ้าระวัดระวังกันด้วยประการต่างๆแต่ก็ก็มีจุดยุดเหนี่ยวก็คือปกป้องปัตรภีปกป้องแผ่นดินแม่ปกป้องมาทุกภูมิปิถุกภูมิมาไปก็ก็พร้อมที่อยู่นอนเป็นเพิงหมาแหนธรรมดาแล้วก็ดูแล้วก็หน้าหนาวนะอย่างทางภาคเหนือนี่เราจะเห็นว่ามันก็หนาวแต่ไปดูที่ที่ตอชอดอเขาอยู่ที่ทหารเขาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็ท่ามกลางความหนาวเนี่ยบางครั้งฝนตกหลบฝนได้บ้างหลบไม่ได้บ้างอีกเปียกปอนๆไปแต่ก็อยู่ได้ก็แสดงว่าไอ้สิ่งสิ่งที่เราใส่ใจถ้ามันมีพลังเหนือกว่าพลังเหนือกว่าพวกวัตถุกรรมที่มีคนนิยมชุมชอบกัน มาขอชนะความรู้สึกเหล่านั้นได้ก็หมายความว่าสาธุชนทั่วไปก็สามารถที่จะปรับลดความเข้มค้นของกิเลสกามลงไปแล้วก็หาทางที่สงบให้ตัวเองอยู่ทำป่าสถานที่รืมนรมต่างๆบางทีเราจะเห็นว่าไปอยู่ที่ห่างไกลจากชุมชนแต่เวลานี้มันเป็นเรื่องน่ากลัวกันหมด เกิดโจมผู้รายมันมากเลยคืรุนแรงแล้วเกิดแม้แต่พระเองก็ยากที่จะปลอดภัยต้องระมัดระวังต้องมีคนเฝ้าบริเวณที่อยู่อาศัยดูมันจะยุ่งไปหมดอ่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติแต่สถานการณ์ตามปกติหมายความว่ามันไม่มีตัวแทรกอย่างนั้น การทำใจให้รู้สึกรื่นรมสบายไปในแต่ละขณะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละชั่วโมงเนี่ยคนก็ทำได้ทุกคนทุกไหแต่ต้องพยายามฝึกพยายามฝึกแล้วก็หลีกเว้นสถานที่ที่มันกระตุน้นพวกราคะพวกโลภะต่างๆพูดง่ายๆว่าแรงเริงรมกันแหล่งอบายมุกทั้งหลาย ก็เลีกเว้นไปตอนการตามรอยพระอาหารหันต์ของคนเราเนี่ยที่ยิงก็ตามได้ระดับหนึ่งเสมอตั้งใจจะตามหรือไม่แต่นั่นเองถ้า ต, ตั้งใจจะตามมันก็สามารถทำผาดได้ระดับเนี่นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปโดยลําดับถึงจุดหนึ่งก็อาจจะหนักแน่นมั่นคงเพิ่มยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็มาจากปุถุชนอะเราก็ปุถุชน เปลี่ยงแต่เรายังไม่ได้พัฒนาบนเส้นทางของท่านได้ลึกๆท่านนั้นเองการสัมผัสอย่างฉาบสวยความหนักแน่นมันคงภายในใจก็ยังมีไม่มากพอก็อต่อไปข้อที่9 9 3ท่านบอกว่าบุคคลพึงคบหาแต่บัณฑิตผู้ที่ตนเห็นว่าช่วยชี้ผิดพลาดให้ได้ เรื่องคนที่บอกคุ้มซัพย์ให้ซึ่งเป็นผู้ที่ชอบราขู่มีปัญญาพอเมือก็าผาบัณฑิตเช่นนั้นแล้วย่อมมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเลยตัวนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นการกล่าวไว้ในพระธรรมบทในเรื่องของพระราธะเอระพราธะเอระก็ลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนี่แหละพระสารีบุตรก็ยกย่องว่า พระแม้จะบวชตอนแก่แต่ว่าเป็นพระที่ว่าง่ายสอนง่ายพุทจาก็ตัดพระพุทธภาษิตนี้ออกมานี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าถ้าเราเข้าหาสมาคมกับบัณฑิตบัณฑิตนั้นจะแนะนําในเรื่องที่ควรแนะนําจะประกอบในเรื่องที่ควรประกอบการแนะนําดีเป็นภารกิจของบัณฑิต การแนะนำชั่วนั้นเป็นเรื่องของคนผ่านแตนี้การเข้าหาสมาคมกับบัณฑิตบางทีนี่คนบางคนมันกระด้างมันหยาบบรณเดี๋ยท่านก็มีวิธีฝึกอาจจะเริ่มต้นที่หยาบแล้วก็ตามด้วยละเอียดหรือเริ่มต้นที่ละเอียดได้เลยโดยเฉพาะในกรณีที่เริ่มต้นที่หยาบแล้วตามด้วยละเอียด ถ้าเราไม่มองเห็นคุณค่าของการขบหาสมาคมบัณฑิตว่าที่ท่านข่มขู่ท่านเขี่นตีท่านดุดาท่านจุดกระชากลากพาไปเขาต้องการจะชี้อบอกท่านยกตัวอย่างว่าบัณฑิตนี้ต้องการจะชี้อบอกขุมทรัพย์ให้แต่ว่าคนนั้นไม่ยอมไปแต่ก็ต้องข่มขู่ต้องกระชากไป ออกมางคับเกียนตีไปฝักใสไปให้ไปได้ขุมทรัพย์ที่คนเหล่านั้นต้องการเพรา ะ, ะต้องเข้าใจวาเจตนาของบัณฑิตนั้นไม่ได้เจตนาร้ายต่อผู้ที่ท่านฝึกเพียงแต่รูปแบบในการฝึกนั้นแน่นอนมันก็แตกต่างกันการขู่ของบัณฑิตนั้นก็ขู่้วยไม่ตานะ คือเสียงมันดังเสียงขู่ไปนั่นเองแต่ว่าความรู้สึกแล้วก็คือจิตคิดอดทุกครับอย่างที่โบราณท่านพูดเนี่ยก็รักัวให้ผูกรักลูกให้ให้ตีหรือแนวสะน้าลูกหยอกกอไผ่ก็หมายความว่าถ้าหวังดีเนี่ยไม่ใช่เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง วังดีจริงๆไม่จะทำอย่างใดอย่างนึ้งเอาแต่ลูกยอมก็ไม่ได้เอาแต่กอไผ่มันก็ไม่ได้แต่ว่าฐานจริงๆก็คือความอบูนความรักความไม่ตาและความหวังดีมันก็สะน้ำถึงคราวเขาทำดีควรยบยอกก็ให้ลูกยอมถึงคราวที่เขาประพฤติไม่ดีดื้อดึงก็อาจจะต้องใช้กอไผ่ ไไม่เดียวใช้การลงโทษใช้การข่มขู่เพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มีปัญญาเมื่อคบกับบัณฑิตเช่นนั้นจะมีแต่ความดีไม่มีความเสื่อมเลยแต่อย่าลืมว่าบางทีคนผ่านเนี่ย เขายอกลวงด้วยคําหวานประเลาประโลมแสดงถึงคล้ายๆจะรักจะปรารถนาดีจะหวังดีเหลือเกินปูจาจนเครือนเคลิม้มอย่างที่อะไรโบราณท่านบอกว่าคนปริ้นปร้อนนี่พูดหวานคนผ่านเนี่พูดมากบางทีก็ต้องการจะปริ้นปล่อนหลอกลวงอะไร ก็จะกรอบอย่กิจกรรมหลอกลวงทั้งหลายนี่เราจะเห็นว่าแม่พูดสดสดสดสดพูดเก่งมากผลท้ายเป็นการหลอกลวงแต่ดูสารคดีที่เกี่ยวกับการต้มตุนอะไรโดยเฉพาะจะยิ่งที่เกี่ยวกับพระเียถ้าเกี่ยวกับพระแล้วก็ต้องขอดูหน่อยพูดเก่งมากพูดเก่งมากๆพวกพร้อมบวชทั้งหลายเนี่นะพูดเก่งแต่ว่า กลายเป็นเรื่องหลอกลวงไปแต่บัณฑิตนั้นเป็นพูดตรงไปตรงมาก็เรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเห็นเขามีการกระทําที่ควรตำหนิใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทําที่ควรยกย่อง ผลการชี้โทษในทางที่ถูกต้องโดยเมตตากเกลานาจะจากบัณฑิตคนใดก็ตามแต่ต้องแน่ใจว่าเขาเป็นบัณฑิตนะต้องแน่ใจว่าเขาเป็นบัณฑิตแต่ถ้าเขาเป็นคนผ่านเราก็ไม่ไปทุศาความเขาก็ เ, าเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องรับผิดชอบในกรรมที่เขาได้กระทาเอาไว้แต่ถ้าเป็นบัณฑิตแล้วก็ควรจะติดตามปฏิบัติตาม เพราะว่าคนในโลกมอนก็จริงมันก็มีอยู่สองพวกคนพ่านหรือบัณฑิตนั่นเองเปี่ยงเพียงเป่แต่ว่าผ่านมากผ่านน้อยบัณฑิตมากบัณฑิตน้อยก็เป็นรายละเอียดเฉพาะกรณีบุคคลเหล่านั้นไปประการต่อไปข้อที่9ก้สบุคคลพึงว่ากล่าวกันพึงสั่งสอนกันและพึงห้ามกันจากธรรมของอาศรกุลบุคคลที่ทำอย่างนี้ย่อมไม่เป็นทีรัก ของพวกคนดีแต่ไม่เป็นย่อมเป็นที่รักของพวกคนดีแต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดีอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งหมายความว่าคนดีนั้นเขาไม่ดีกับคนอื่น ไ, ได้แต่ว่าพอใครแสดงอาการว่ากล่าวตักเตือนแนะนำสั่งสอนห้ามปรามดูด่าเนี่ยเขาไม่ชอบ แต่ว่าคนในสังคมเนี่ยถรักถ้าปรารถนาดีกันจริงๆไม่ควรใช้แค่เพราะเรื่องการยกย่องพ่อยอกันเกินเหตุคนบางคนเนี่ต้องการแต่ให้ยอกนะนั่นีองมันมีเหตุมีผลอะไรหรือเปล่าลองสังเกตาการยกย่องพ่อยอทั้งหลายหรือว่ายกย่องนี่แหละยกย่องสรรเสริญก็โดวยวิธีการต่างๆ ถาามันเพิ่มความดีให้แก่เราขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ดีก็เพราะการกระทำดีของเราชั่วก็เท่าที่เราทำชั่วของเราเนี่นยจะนี่การตาหนิเนี่ยเป็นการชี้บอกโทษให้มันจะช่วยให้มีการตรวจสอบการพิจารณาได้ว่ากล่าวตะเกือนกันบอกกล่าวชี้แนะกันในทางที่ถูกที่ควร พออย่างนี้เราเ็จว่าสนามมันจะกว้างหมายความมาการบอกกล่าวชี้แนะเนี่ยเด็กก็บอกเราได้บางทีเราก็ผิดพลาดไปอย่างที่เคยเล่าว่าสามเณรไปตำหนิพระสารีบุตรว่านุ่งห่มไม่เรียบร้อยพระสารีบุตรต้องไปรีบจัดแจงการนุ่งห่มให้เรียบร้อยในพูกมไม้แล้วก็ออกมาหาสามเณร ว่าศาสตาจารย์จะตรวจ ด, ดูที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคือให้ความเคารพแม้แต่สามัญเหตน้อยๆที่ว่ากล่าวเตือนด้วยความหวังดีเกืบบอกว่าหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเป็นอย่างนี้เดีวบางทีมันไม่รู้คนเราอย่างที่พูดว่าวาสนาเนี่ยพาที่เราไม่รู้อะ ยังเคยเห็นพระติรารูปหนึ่งตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วยังนึกว่าท่านไม่รู้ตัวคือเวลาท่านนั่งไหว้พระนีมมือท่านไม่นิ่งหรือท่านไม่นิ่งเลยตลอดระยะเวลาเลยเรเิบแปลกเดี๋ยวก็ท่านอยู่จะเดินุ่งเรือมาจนได้ตำแหน่ง แรงสูงทีเดียวเลยนี่กองหนึ่งก็คือทำมือเนี่ยทำมือนิ้วสองนิ้วไอ้นิ้วชี้กับนิ้วชี้เนี่ยมันกระดิกกระดิกเข้าหากันกระดิกหากันไม่หยุดเลยพอดีท่านไปต่างประเทศนะแล้วก็ถ่ายทาเป็นภาพยนตร์สมัยนั้นภาพยนตร์ก็หาดูยากกันนะ ส่วนมากก็ดูภาพสไลด์กันแล้วก็ไม่เคยเห็นต่างประเทศพระเนตรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต่างประเทศเราไปดูกันเยอะพระเนตรไปดูกันเยอะแต่พอถึงคราวที่มีการอนุมูธนาเวลาชาวบ้านเขาถวายพัฒนาหารญี่บนขราไปรับพัฒนาหานเนี่ยท่านก่อนอนุมูธธนาเดีวเห็นมือท่านเป็นอย่างนั้นทุกที พระเดชิก็ชี้กันให้ดูพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเริ่มมากขึ้นเขื่เขื่มาเห็นมากขึ้นพอท่านทําอย่างนั้นแล้วก็หฮากันรึงรึงท่านก็กระซิบถามพระผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ใกล้ๆว่าเขาหาเรื่องอะไรกันพระผู้ใหญ่ท่านก็ชี้ให้ดูมือของท่านเวลาในภาพยนตร์นะฮะท่านอุทานขึ้นมาบอกเอ๊ะเราเป็นอย่างนั้นเหรอ แล้วเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหมือนกันว่าจากนั้นเป็นต้นมาท่านไม่เคยทําอย่างนั้นอีกเลยจนตายไปนั้นแสดงว่าเป็นเป็นคนหลับอาชาไนแต่ว่ัฒนามันพาไปอ่ะวาสนามันพาไ ป, าาไปแล้วตามปกติพระเราเวลาจเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ในบ้านเนี่ยมักนั่งหลับตากันเพื่อรวบรวมจิตให้มันจดจ่ออยู่ที่กับบทสวดมนต์ ไม่มองซ้ายมองขวาไม่ยุ่งอะไรแล้วเลยก็ไม่เห็นมือตัวเองไม่เห็นมือตัวเองหัวใจมันไปจดจ่ออยู่กับบทสวดท่านแก้ไขทั้งท่านได้นอแต่ว่าแข่งพระธรรมบทนี่จะพูดเรื่องนี้ไว้เยอะเจะเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนจงสวดตรวจสอบตนด้วยตนจนตัดสินตนด้วยตน เพราะตนเป็นที่พึ่งของตนนี่มีคนเอามาแต่งเป็นคำกรอดไพเราะว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนเดี๋ยวเฉยเชือนเตือนตนให้พ้นภัยนั้นเน้นที่การการเตือนตัวเองทีนี้การรับฟังคำตักเตือนจากบุคคลอื่น มายความวาเราก็ต้องเลือนตัวเราเหมือนกันพอที่เขาพูดเนี่ยอย่างน้อยก็ควรรับฟังไว้จะพูดถูกหรือพูดผิดก็รับฟังไว้ทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ก็พูดผิดเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบเอาแต่ในขณะเดียวกันเราก็หาประโยชน์ได้ว่านี่ขนาดเราไม่ผิดเนี่ยเขายังมาว่าเราเลยแต่ถ้าเราผิดเนี่ยเขาจะต่อว่าขนาดไหนก็เกิดระมัดระวังเกิดสํารวจ หาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องวิธีการของบัณฑิตนั้งจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องคำด่าก็หาประโยชน์ได้คำจิเตียงก็หาประโยชน์ได้คายกย่องก็หาประโยชน์ได้แต่ต้องเข้าใจคิดท่านั้นเองท่นนั้นในที่นี้ท่านจึงบอกว่าระหว่างคนกับคนนี่นะพึงว่ากล่าวกัน พึงสั่งสอนกันพึงห้ามปรามการจัดทำของอสัตบุรุษอาท่านทำของอสัตบุรุษก็คือพูดง่ายๆก็อย่างงี้คือกุศลกักบอกุศลกบฏการฆ่าสัตว์การลักท ร, รัพย์การมาพฤ้นผิดในการการพูดเท็จการพูดสอ่อเสียการพูดคำหยาบการพูดเพื่อเจ้อเลือหลคนที่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากํานองของธรรมนี้ อันนี้เป็นตัวธรรมของสอัตว์บุรุษหมายความว่าการกระทำพูดคิดด้วยกระแสของอกุศลทั้งหลายเป็นธรรมของสัตว์บุรุษเพราะนั้นเราจึงพบว่ามีพระพุทธธรรมราบางอย่างบางบางบทที่แสดงว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนกระรปรใหญ่ที่ป้องกันคนเอาไว้ไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกนั่นก็หมายความว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้แต่เขากระชี้บอกมีคนก็ชี้บอกดปวเจตนาดีหวังดีบางคนก็อาจจะชอบดินทาก็ฟังเขาไว้ก็ไม่ต้ว่าอะไรแล้วเราจะหาประโยชน์ได้ แล้วก็นำไปเป็นตัวอย่างบอกกล่าวชิแนะบุคคลอื่นได้อีกด้วยข้อ995ท่านบอกว่าพระมูมีพระภาคย์เจ้าผู้ทรงมีพระจักษุทรงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเมื่อพระองค์กาลังทรงแสดงธรรมอยู่เราผู้ต้องการประโยชน์ได้ตั้งใจฟัง การตั้งใจฟังของเรานั้นไม่ไายไปอยู่น์คือเราเป็นผู้ดุดคนหมดสิ้นจากอาสวะแล้วนี่ก็เล่าเป็นการเล่าแต่เอาตัวเองขอาประสบการณ์ตัวเองเนี่เป็นตัวอย่างพยายามเตือนบุคคลอื่นว่าการฟังธรรมะการอ่านธรรมะหรือการคิดธรรมะอะไรก็ตามะ มันจะต้องเป็นการระดมสติปัญญาลงไปในในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือกระบวนการของอิทธิบาทสีเนี่ยจะต้องหมุนเนื่องกันไปมีความพอใจมีความเพียรมีจิตใจจดจอ่อมีปัญญาพินิจพิจารณาและปัญญานั้นจะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่เราพอใจถึงกับความเพียรที่กําลังทํา ถึงจิตใจที่จดจ่ออยู่ว่ามันถูกทางหรือไม่ถูกทางเป็นต้นด้วยแลวเห็นว่าถ้าเรามีพลังของอิทธิบาทในการฟังธรรมะในการอ่านในการฟังนะทั้งอ่านทั้งฟังแต่ว่าตอนที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงนั้นมันเป็นยุคฟังคือสติปัญญาต้องเยอะพอสมควรทีเดียว แต่ไม่งั้นบางทีก็มองไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาษาที่มันไม่สอดคล้องกันนะ่ะคือท่านอยู่ในลทัทธิปริพัฒนชกมาก่อนบนประสบการณ์ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่มากแต่ทําให้มองเห็นถึงคําว่าธรรมมาจากสุขแต่ว่าดวงตาเห็นธรรมราวตอนที่มาฟังพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว เข้าใจธรรมะได้กว้างขวางใหญ่โตวเวลาพระพุทธเจ้าส่งแสดงนั้นก็ประมาณเท่าไรหกบรรทัดนะฮะประมาณหกบรรทัดบอกว่าบุคคลผู้มีความดำริชอบเป็นโคจรคือทางดำเนินของจิตหมายความว่าความคิดของเขาเนี่ยมันเลื่อนไหลไปตามกระแสะของความคิดผิด ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะมองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระตั้งโจทย์ผิดนะมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระมองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระผิดหมดทั้งคู่เลยมันก็หลงทางตั้งแต่แต้นเพราะถ้ายัางมองเช่นนี้อย่างคิดเช่นนี้อยู่ยังเข้าใจอย่างนี้อยู่ไม่มีโอกาส ที่จะประสบสิ่งซึ่งเป็นสาระแล้วก็ชุดที่สองก็บอกว่าบุคคลที่มีความดําริชอบเป็นทางดำเนินของจิตคือหมายความว่าความคิดของเขานั้นดำเนินไปด้วยความคิดที่ชอบความดําริที่ชอบมันจะมีความชัดเจนภายในใจของท่านรู้ชัดว่าสิ่งที่เป็นสาระย่อมเป็นสาระ สิ่งที่ไม่เป็นสาระย่อมไม่เป็นสาระคือแยกออกได้อย่างชัดเจนก็จะประสบสิ่งที่เป็นสาระทีนี้ปัญหาสำคัญใสาระคืออะไรตอนนั้นท่านเป็นพระยาบุคคลแล้วแต่ต้องนึกถึงลูกศิษย์นะฮะนึกถึงลูกศิษย์สองร้อยห้าสิบ250ท่านเนี่ยยังเป็นปุถุชนฝั่งพร้องกับทน แล้วก็บรรลุมผลเป็นประธานก่อนท่านด้วยนั่นก็หมายความว่าบารมีที่อยู่เบื้องหลังคือคนกลุ่มนี้ก็ผ่านด่านมาเยอะผ่านด่านทรัพย์ผ่านดาน่า น, ดานครอบครัวผ่านด่านบุตรภรนยามาโดยลําดับจนมาอยู่ในสัม น, นักของสันชัยปริยานาชกผ่านด่านสันชัยที่ร้องให้สาวโกเสียดายที่ลูกศิษย์แยกอาสมบออกมา ตับใจได้หมดไม่ธรรมดานะแต่ละอย่าง ม, มันเป็นบ่วงทั้งนั้นบ่วงบุตรบ่วงรรัรทบบ่วงพันยาบ่วงครอบครัวบ่วงเงินทองหน้าที่การงานอะไรแต่ไร ล, ลุงรังไปหมดเลยท่านผ่านมาได้ทำให้ท่านเองก็มีสมาธิ ด, ดีมากแล้วก็แรงกระตุ้นจากลูกพี่ทั้งสองเนี่ยคืออุปติสักกุลิตา ได้ดงตาอินธรรมก็คงจะมีอยู่สูงกระดูปพระท่านเหล่านั้นก็ฟังด้วยสมาธิด้วยกันสองรยสิบท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระราหันแต่พระสารีบุตรนั้นท่านฟังฟังเทศอย่างน้อยที่เราเห็นนี่ก็สามครั้งคือฟังจากพระสชชินี่สองบรรทัดฟังจากพระพุทธเจ้าในหกบรรทัด แล้วฟังในครั้งที่ท่านบรรลุมรคลเป็นพระหันเนี่ยเป็นพระสูตรนะฮะเป็นพระสูตรยาวประมาณสักสองสองสามหน้าก็เป็นเรื่องของเวทนาปริการสูตรบางแห่งก็เรียกว่าทีคัตตัสูตรเปการแสดงถึงเวทนาถึงก็เป็นเรื่องละเอียดนะฮะเป็นเรื่องละเอียดเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน ท่านก็ บ, บรรลุว่าผเป็นไรแต่กล่าวโดยสรุปว่าใครก็ตามที่ไหนก็ตามนะฮะคือเมื่อฟังธรรมะที่ทรงแสดงแก่ผู้อื่นเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อเราได้ฟังการแสดงธรรมะของคนอื่นก็ เป็นการทรงแสดงทำทำอยู่ในใครแสดงทำอยู่ก็ตามเลนะเราตอนนึกว่าเป็นธรรมะของพระบุตรยาคนนั้นเป็นผูตอ่านราชสารของพระมหากษัตริย์เราก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพอย่างที่อิปัสสาริบุตรท่านฟังอย่างที่บริวารของท่านฟังประโมคคัลลานาฟังออก็ไดับรรลุมรรคผลด้วยกัน แต่ว่าภาษาดิบุตรกัพระโมกคลลานะคนละคราวกันคือบรรลุมาก่อนที่น่าสัจจันร์ก็คือพระโมกคลลานะฟังจากภาษาดิบุตรถึงตอนนั้นก็อยู่ในเพศของปริพาชกอยู่โมคคัลลานะก็ยังอยู่ในเพศปริพาชกแต่วใจเป็นพุทธแล้วนะฮะใจเป็นพุทธแล้วแต่ว่าเพศมันยังเป็นปริพาชกอยู่หลักการตรงนี้ที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าฟังด้วยดีย่อมไรปัญญา การฟังได้ดีคือฟังอย่างไงบุคคลเกิดศรัทธาเข้าไปหาผู้แสดงเมื่อเข้าไปหาก็าจะนั่งกลายเมื่อนั่งกลายก็ตั้งใจฟังธรรมในขณะตั้งใจฟังธรรมก็ต้องต้องเงี่ยหูลงฟังแล้วกำหนดข้อความพิจารณาข้อความแห่งธรรมนั้นไปตามกระแสของธรรมะที่มีการแสดงอยู่เราเห็นว่ามันพัฒนาทั้งศีลสั้ธรมะที่ปัญญาไปโดยลดับ แล้วตัวสติที่ทําหน้าที่ระลึกเนี่ยมันก็คุ้มครองทั้งศีลทั้งสมาธิของปัญญาแล้วก็เพิ่มคุณภาพมันตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถึงจุดหนึ่งอย่างพระสารีบุตรท่านเล่าตัวท่านเองแล้วก็รวมถึงบริวารของท่านก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นทหารกันทั้งหมดแหละที่ในการต่อมาเนี่ยคือเป็นปรทหารกันทั้งหมด ข้อนี้พึงสังเกตว่าแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อเขาเรียกอุทเทศในการนํามาแสดงธรรมเทศนาเจะมมติเอกไปเทศวันท่านเนี่ได้ทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีละข้อเทศได้คิดว่าข้อละสี่สิบ้านาทีตามรายการนี้หรือข้อละหนึ่งชั่วโมงนี่ก็กว่าได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะขยายมากน้อยแค่ไหนเพียงไร เนื่องจากคนฟังนี่มีวุธิภาวะที่แตกต่างกันอย่างเท่นในโบสเนี่ยคนฟังก็แตกต่างกันแต่คนฟังไม่ค่อยมากนะคือในที่บางแห่งเราก็เรา ก, เราก็พึ่งอัศจรรย์เพราะทำไมมันคนมหาสาลจริงจแต่กิจกรรมเหล่านี้จากการสังเกตตามข่าวโทรทัศน์เราจะน้อยกิจกรรมที่เกี่ยวกับ บันเทิงค ด, ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเพลงหรือกีฬาบางชนิดแล้วก็หรือการเมืองนะการเมืองที่แสดงความเป็นฝักเป็นฝ่ายมีแสดงความรักความชังความชอบความไม่ชอบเนี่ยแต่ใครที่มีแฟนมากก็จะจะจะเยอะเอามากๆ โดยไม่น่าเชื่อว่าจะมีโอกาสพูดให้คนขนาดนั้นฟังได้คนเป็นแสนๆหนึ่งฟังได้ก็เป็นเรื่องที่ที่นาสังเกตและก็น่าชื่นชมแต่ทั้งหมดอย่าลืมว่ามันกระตุ้นเร่งราวนะมันกระตุ้นเร่งราวเรื่องเพลงก็กระตุ้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในทางโลกียรมคือรมของโลกเป็น บันเทิงคดีทีนี้ทางการเมืองนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ตุ้นความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเราต้องการเห็นการชนะค้าขานการประเด็จศึกอะไรแต่ไรต่างๆพว ก, พว ก, พ, วกพวกกีฬาก็เหมือนกันนะฮะคือมัเรื่องฝักเป็นฝ่ายแต่คนเยอะมากแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมนําเข้าสู่ความสงบเนี่ยยังไงคนก็ไม่มากครับ ก็อาจจะเป็นพระสถานที่จํากัดด้วยและการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มันไม่มีทุนที่จะลงไปดําเนินการได้ก็กลายเป็นกระแสโลกรุ่มแรงกว่ากระแสของธรรมะท่านฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้อีสุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณาธรรม จะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี